ยาซีเรียเรื่องกระจอกกระจอกการละครหนึ่งยังมีนกกระจอกตัวหนึ่งเป็นนกกระจอกเจ้าสำราญ เที่ยวกินเที่ยวเล่นไปวันวันสนุกสนานเมื่อเวลาฤดูหนาวใกล้เข้ามานกกระจอกตัวอื่นๆก็พากันเตรียมตัวออกบินลงใต้เพื่อหลบหนาวแต่พระเอกของเราก็ยังทำทองไม่รู้ร้อนมันว่าเอาไว้ให้จวนตัวจริงๆก็ออกเดินทางก็ยังไม่สายเพื่อนเพื่อนพากันเกาะกลุ่ม บินไปกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าจนในที่สุดเหลือมันตัวเดียวและประจวบกับอากาศที่หนาวเย็นลงทุกวันมันจึงได้สานึกเช้าวันหนึ่งที่อากาศหนาวเหน็บนกกระจอกเจ้าสําราลก็ออกบินเดียวเดินทางลงใต้ขณะมาได้ไม่ไกลฝนก็เทลงมาทำให้ขนของมันเปียกปอนไปหมด และเพราะอากาศที่เย็นเยือกก็ทำให้น้ำที่เกาะปีกของมันกลายเป็นน้ำแข็งหนักอึ้งมันบินต่อไปไม่ไหวทั้งหนาวจนเกือบแข็งตายและหมดแรงจึงตกแอ๊กลงมานอนหอบรอความตายอยู่บนพื้นดินผอิญตรงนั้นจำเพาะเป็นลานบ้านชาวนามีวัวตัวหนึ่งเดินผ่านมาและขี่ออกมากองเบิ่ม หล่นเพลลงมาทับเจ้านกกระจอกพอดีจนมิดหัวมิดหูเจ้านกกระจอกนึกในใจว่าสวยจริงโตตายไม่มีศักดิ์ีเลยจมกองขี่วัวตายมันปลงได้แล้วว่าคงตายแน่แต่แล้วกองขี่วัวนั่นแหละที่ช่วยชีวิตมันเพราะความอุ่นทำให้น้ำแข็งละลายและทำให้นกกระจอก กระปรี้กระเปาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันดีใจมากที่รอดชีวิตจนร้องเพลงออกมาดังๆเจ้ากรรมมีแมวตัวหนึ่งเดินผ่านมามันได้ยินเสียงนกร้องจึงเงี่ยหูฟังและเดินย่องตามหาจนมาพบว่าเสียงออกมาจากกองขี้วัวนี่เองแมวจัดแจงเขี่ยขี้วัวออกด้วยความสงสัย จนไปเจอเจ้านกกระจอกที่กำลังอ้าปากร้องเพลงเพลินอยู่จึงจับกินเป็นอาหารอันโอชาเสียในทันทีเรื่องนี้สอนว่าคนที่ทำให้เราไม่พอใจอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาจะเป็นศัตรูเสมอไปและคนที่ดูเหมือนจะมาช่วยเหลือก็ไม่แน่ว่าจะเป็นมิตรได้เสียทุกคนการเลือกคบคน อย่าดูแค่ผิวเผินดูให้นานคบให้นาน